กุฑวันสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะนี่คือรายการสังสรรค์สนทนาอีก จะสามารถนําไปสู่วันก่อนไม่มีโอกาสถามท่านนะคะปฏิบัติของทุกท่าน เอ่อตัวจริงๆของท่านก็คือพระกระจายนะนะคนบางคนยกเป็นมหาพระมหากระจายนะแล้วก็บางตํานานก็เรียกว่าเป็นองค์เดียวกับก็ว่าเป็นองค์ แล้วทำไมท่านถึงกลายเป็นเป็นตุ้ยน้อยไฟนั่นที่อยู่ในธรรมบทนะเขา แล้วก็เป็นพระที่มีความสามารถในการที่จะอธิบายธรรมะได้อย่างๆๆๆนั้นด้วยนะบุคคลแล<ใช> 80ขข นะ, 80 รูปที่มี ความรูปงามของท่านความรูปงามของท่านเนี่ยแหละจึงทําให้มีๆเนี่ยที่ค้าขายระหว่างเมือง <Okay. S 1> นี่นิทานนะนี่นิทานนะก็เลยทําให้ตัวเองเป็นกรรมเป็น <thers> ขาขายเห็นพระมหากัจจานะบางทางคิดแบบนี้ทําให้ตัวเองเนี่ยจากผู้ชายกลายก็เลยตกใจกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงตัวเองตรงนั้นก็เลย นะตัวเองเป็นผู้ชายมาก่อนใช่มั้ยพอไปปราหมณ์ท่านพระมหากัจจนะในลักษณะนั้นตัวเองเลยจึงกลายเป็นแปลงเป็นผู้หญิงแล้ว 1 ก็ไปเมือง นะพอขอเข้ามาปึ๊บนะก็ก็กลับเป็นคนเดิมขึ้นมากลับเป็นผู้ชายอย่างเดิมขึ้นมาอ่าพอท่านพระมหากัจจนะทราบเรื่องนี้ ไม่ใช่พุทธวจนะไม่ใช่ไม่ชัดๆอย่างงี้อ่า นะเค้าก็บอกว่าโอ๊ยเค้ารักลูกที่เกิดจากอกตัวเองน่ะใช่แต่ เป็นเค้าเรียกอะไรนะคะนิทานธรรมะเป็นนิทานธรรมบทใช่ค่ะไม่ใช่พุทธวจนะเอ่อแต่ส่วนพระกตใจนะใช่ใช่ๆๆชื่อสังกัดใจไม่มีอย่างงั้นมั้ยคะเอ่อเป็นคํา อ่าเป็นพระสงฆ์ที่นะภาษาอังกฤษเค้าเรียก outstanding อ่ะนะ พระโมคคลาณะก็เก่งเรื่องอิทธิฤทธิ์ว่าอิทธิฤทธิ์เอ่อพระสังฆชัยเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ นึกถึงเห็นแบบท่านใส่ผ้าสบงจีวรปะปะนะคะท่านๆมั้ยคะใช่นะอันนี้เป็นพระสาวกที่เอตทัคคะทางด้านอะไร เป็นผู้ที่เคยให้ทานไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องเลยไว้อย่างมากเอ่อได้<ใช> อ่าบารมีก็มีหลายอย่างนะทานบารมีศีลบารมีพวกนี้แต่แต่พูดถึงว่าถ้าในแบบชีวิตปกติธรรมดาที่ไม่ได้ปรากฏในธรรมเนี่ยนั้นสังเกตว่าคนที่ให้เนี่ยค่ะยังไงก็เป็นคนมีบารมีอืมมีเธอจะให้ค่ะอืม แล้วก็บารมีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าโดยระดูความหมายทับถมทับถมทับถมกันไปเครื่องเค้าเรียกๆตอน <ow> <roid> บารมีที่เราสั่งสมเอาไว้ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่า แม่มันสถานการณ์ที่มันมันเค้าบังคับให้ปฏิบัติน่ะตั้งความเพียรในๆบ่อยๆทําอย่างต่อเนื่อง ก็คือเวลาที่เราพยายามที่จะพิจารณาเห็นเหตุผลใกล้ครวนเอ่อเห็นตามที่ที่เรานั่งสมาธิเห็นอยอยอย 3 อย่าง แล้วก็มีอย่างอื่นๆอีกเช่นอุเบกขาบารมีเอ่อเมตตาบารมีที่เค้าก็จะพูดพูดถึงกันนะแต่ที่ที่สําคัญสําคัญเลย 2 ส่วนนะคือส่วน กับส่วนของผู้รับส่วนของผู้รับครับอ่าโดย นรรครให้คุณมีความพอ 3 อย่างแรกที่จะอีก 3 อย่างของผู้รับและถ้าผู้รับนะเป็นคนน้อยนะคือก็ 6 อย่างนี้ประกอบกันบุญที่ว่าเท่านั้นลิตรเท่านี้ๆอย่างนี้เนาะอันนี้เป็น<ใช> อ่าปกติเราจะรู้สึกได้เองนะคะว่ามีบารมีอย่างไรไปเนี่ยตรงนั้น สมณะสุคุมราชานะคือสมณะคือคนที่มีความละเอียดอ่อนจะค่ะซึ่งบุญมันก็มาจากบารมี ทั่วไปก่อนอย่างเช่นเรื่องการให้เป็นๆกับข้าวๆให้เขาเรื่อยๆมันก็ใช่เห็นได้ชัดๆ เราในสิ่งที่เป็นตัวตนผู้ที่ละวางในสิ่งที่เป็นตัวค่ะในขณะอืมท่านค่ะ แล้วอย่างกระศีในกระท่านคะบารมีจะเป็นอย่างไรคะเอ่อศีลและบารมีก็ทําๆแล้วแต่ว่าระวังอ๋อผู้ที่มี กะจกะจรกระจายไปนะมีกลิ่นวิชาบเทียบกับมีสีๆเราเป็นคนที่ไม่ๆใช่ ดูเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีสติเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีสติอย่างเช่นสิงข้อ 5 ไม่ขี้เมาอืมนะฮะไม่ประพฤติผิด แต่มันก็ทําเพราะฉะนั้นเราเคยไม่ร้อนใจแล้วก็ส่งผลทะปลายทางได้ดีค่ะอาจารย์บาลค่ะเพราะฉะนั้นค่ะขอ และวันนี้ก็เป็นอ่าอีกส่วนแล FM 106 ครอบครัวขาว